สิบเกใจที่ไม่ดิน้นใจที่ไม่อยากจะเห็นนิพพานถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมถ้ายังเห็นว่ามันสุขบ้างทุกข์บ้างมันก็อยากได้สุขแล้วก็ดิ้นที่จะหนีทุกข์ไปเรื่อยๆไม่เลิกดิน้นพอไม่เลิกดิ้นนี่ใจจะไม่ถึงธรรมเพราะว่านิพพานเป็นความไม่ดิ้นรนเป็นวิสังขารหรือใจยังอยากอยู่ยังหิวอยู่ยังอยากได้อารมณ์อยู่จะไม่ได้เลยไม่เห็นนิพพานเพราะนิพพานเป็นความไม่อยากเป็นวิราคะ ตราบใดที่ใจของเรายังมีความอยากอยู่ยังมีความดิ้นรนอยู่เรายังเข้าไม่ถึงมรรคผลนิพพานเรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อยนะแล้วก็อย่าไปปรุงมันขึ้นมาให้เห็นขันห้าให้เห็นกายให้เห็นใจนี้ปรุงแต่งทํางานขันห้าก็เป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเรียกสังคตะธรรมขันนี่เขามีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งร่างกายมีหน้าที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารขับถ่าย นี่หน้าที่ของร่างกายเวทนามีหน้าที่สุขบ้างทุกบ้างเฉยๆบ้างสังขารมีหน้าที่ปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างให้เขาทํางานไปจิตก็เกิดดับไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าแทรกแซงเขาเราดูเขาไปเรื่อยดูไปจนใจเราเห็นความจริงเขาทํางานของเขาเองเขาไม่เกี่ยวกับเราใจไม่ดิ้นรนแล้วใจวางใจก็ไม่ต้องดิ้นรนหาความสุขไม่ต้องดิ้นหนีความทุกข์อีกต่อไปใจที่ไม่ดิน้นใจที่ไม่อยาก ไม่อหิวโหวยนี่แหละจะเห็นนิพพานตราบใดที่ใจยังอยากยังดิน้นยังหิวโหวยอยู่ยังไม่เห็นนิพพานทําไมมันดิน้นมันดิ้นเพราะไปสําคัญมั่นหมายว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเรานะอย่าไปยึดถือเอาว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นเฝ้ารู้ของจริงเห็นกายเห็นใจเขาทํางานของเขาทั้งวันทั้งคืนเขาทําของเขาเองวันหนึ่งปัญญาแจ้งมันทําเองไม่ใช่ตัวเราหรอกถอดถอนความรู้สึกเป็นเราออกไปขันก็เป็นขันทําหน้าที่ของขันไป ทำก็อยู่ส่วนทำจริงๆแล้วไม่ยาก